ก็สติสนะัมปชัญญะเนาะว่าไปแล้วมันก็มีประโยชน์ทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมอย่างเช่นที่ท่านผู้รู้ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ของเราอ่ะอะืพ่อแม่เลี้ยงลูกนะสติสัมปชัญญะเหมือนกับพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่เนี่ยมีแต่คอยดูแลคอยดูแลห่วงใยลูก ดูแลทุกอย่างลูกจะตกอยู่ในพยันตรายต่างๆพ่อแม่ก็คอยปกป้องคอยรักษาคอยช่วยคือมันเป็นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยก็คืออุปการะจรงิจรงๆคือช่วยอ่ะช่วยช่วยให้ชีวิตดําเนินไปแบบถูกต้องถูกต้องเนี่ยพลาดเมื่อไหร่สติสัมปชัญญาก็จะมาช่วยจัดการทุกอย่าง น, นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นสูตรสําเร็จที่ ผู้รู้ท่านอธิบายไว้ว่าเออว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากที น, นี้เรามาพวกเราลองทดสอบพร้อมกันก็ได้เนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจบางอย่างให้ให้ใช้สิ่งที่อยู่นอกตัวไปก่อ น, เ ป, นเป็นเครื่องอุปกรณ์เนาะอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตอนเนีเออ้ตาเราอาจจะมองเห็นวัตถุบางอย่างที่อยู่บนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราลองดูสิว่าไอ้สิ่งที่ที่เห็นเนี่ยมันหลากหลายสีมากเลยอะ่ะเนาะมันหลากหลายสีแล้วก็ มันแต่ละอันแต่ละสีม MM ันก็อยู่อยู่ประจำที่ของมันอย่างนั้นน่ะเนาอะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการเห็นเกิดขึ้นแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเห็นอย่างเนี้ยเราลองมอย้อนกลับซิว่าแล้วใครเป็นเป็นคนเห็นสิ่งนั้นเ น, นาะแค่พอหลวงพ่อถามว่าใครเป็นคนเห็นสิ่งนั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาที่ตัวเราว่าอ๋อสิ่งที่ถูกเห็นมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ตรงนูน่นนะแต่ตัวเราผู้เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ ตรงนี้ในเบื้องต้นก็จะเรียกว่าอย่างน้อยก็ทําให้เรียกว่ากลับมารู้ตัวเองรู้ยังไงรู้ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นคนละสิ่งกันแต่มันก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ข้างนอกเนี่ยคล้ายๆว่าถูกรู้ด้วยผ่านทางตาเนาะแต่พอกลับมารู้ตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตาดูแต่มันรู้ว่ามีมีตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ดูสิ่งที่อยู่นอกตัว ไอ้ตรงที่กลับมาเห็นตัวเองมารู้ตัวเองตรงนี้มันจะมีสภาพธรรมะที่รู้ตัวเราอยู่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่รู้ตัวเราเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกว่ามีตัวเราเนี่ยยืนมองวัตถุอื่นอยู่ตรงเนี้สําคัญมากก็คือสภาพธรรมะที่รู้ตัวเราเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่ตัวเราร้อยเปซเพราะตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแต่ธรรมชาติอันนั้นเนี่ยเขารู้ตัวเราได้ ตรงนี้ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเรากับธรรมชาติที่มารู้ตัวเราว่าเป็นคนละสิ่งกันแน่นอนเนาะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วที่เขาบอกว่าให้รู้ตัวให้รู้ตัวเนี่ยก็คือว่าหมายความว่าไอ้ไอที่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรามารู้ตัวเราแต่ให้เข้าใจถึงว่ามันมีธรรมชาติอยู่จริงที่สามารถรู้ตัวเราได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจเลยว่า ตัวเราเป็นสิ่งถูกร ko ู้ตลอดเวลาเลยตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เวลาเลยจะเดินตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้จะนั่งก็ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราจะทุกข์จะสุขตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราจะจะจ ะ, จะตายแล้วนะสมมติเข mm. ้าห้อง ICU เนี่ยมันก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยนอนหายใจผงาผงาผงาอยู่จะตายมันก็รู้ตัวเราแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เราไง ธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากความเป็นตัวเราแล้วก็ถ้าพิจารณาดีๆนะธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้เรามั น, ม, น ม, มีตัวไม่ปรากฏ ต, ตัวเฉยๆอเออมันรู้เฉยๆมันไม่ปรากฏ ต, ตัวและธรรมชาติอันเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นธรรมชาติที่ไม่ทุกธรรมชาตินี้แหละธรรมชาติเนี้ยที่เขาเรียกว่าจะเข้าสู่นิพพาน เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าตัวเราเข้าถึงนิพพานแต่ตัวเราเนี่ยเป็นแค่ขันห้าเป็นแค่สังขารคือเกิดแก่เจ็บตายถึงถึงนิพพานไม่ได้ให้ตัวเราอะนะแต่ธรรมชาติที่จะเป็นนิพพานหรือว่าเป็นเอ่อเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกเนี่ยก็คือธรรมชาติรู้นั่นแหละธรรมชาติที่รู้ตัวเราสี่ที่พูดตรงนี้ก็เพื่อเอ่อวันนี้ชั่วโมงนี้เนาะถ้าถ้าเอ่อเห็นตามได้พอเข้าใจเนี่ยแสดงว่าได้ได้ ไ, ได้ทางชัด hmm. เริ่มเริ่มเห็นทางแล้ว ต่อไปก็มันเห็นตัวเรารู้ตัวเราบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่ของเกิดแก่เจ็บตายเป็นของตายเน่าเปื่อยผูพังแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเรานะอันนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกทําลายนะเป็นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นนะ จะถามว่าธรรมชาติรู้มันอยู่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งที่อยู่บอกไม่ได้เพราะ <c oughs> ว่าเราเห็นเขาไม่ได้แต่เขาเห็นเรา <c oughs> อยู่ร0อยเปอร์ซตเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วรู้เรา <c oughs> ก็มีมีจริงจริงแต่มีเบี่ยงไม่ปรา <c oughs> กฏตัว <c oughs> ที่ที่มาที่ไป น, นะบางทีมันมันแตกฉานะเหมือนกับว่าพอจับทางได้สักเรื่องเดียวเนี่ยมันก็สามารถไปยกตัวอย่างหรือว่าไปไปทดลองใช้กับวิธีอย่างอื่นอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกอที่ ที่แนะนามา น, นะว่าเออให้เราเนี่ยยืนดูอะไรก็ได้แล้วก็ไปเห็นวัตถุสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วก็พอพอกลับมารู้ตัวเราเนี่ยมันก็อ๋อรู้เนี่ยว่าตัวเรานะแล้วก็ทำให้รู้จักตรงนี้หลวงพ่อยังไม่ตั้งชื่อก็ได้รู้จักธรรมชาติที่รู้ตัวเราเออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ลองใช้วิธีอื่นๆการฟังเสียงก็เหมือนกันเช่นสมมติว่ามีเสียงนกเนาะเสียงนกร้องอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ย เราก็อาจจะตัวเรานี่แหละเออไปฟังแอบดูช่างที่อย่าอูฟังนะ <c oughs> ไปฟังเสียงแล้วทีนี้ถ้ารู้ตัวเรามันก็จะเห็นตัวเราสิว่าตอนนี้ยืนอยู่ในท่าไหนยังไงอย่าอูฟังยังไงใช่ไห <c oughs> แต่ว่าการที่มารู้ตัวเราตอนนี้มันไม่ได้รู้ด้วยตาเลย <c oughs> เพราะว่าตามันกลับมารู้ไม่ได้หรอกตามันก็อยู่ก็เยกว่ารู้มันถูกตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยด้วยธรรมชาติรู้ แล้วมันก็จะเห็นตัวเราเลยว่าตัวเรายืนแอบฟังยังไงเนาะมันจะเห็นเราทั้งตัวเห็นประมาณเนี้ยแล้วถ้าตัวเราจะพูดจะคิดอะไรมันก็ถูกรู้หมดเลยว่ากำลังคิดกำลังพูดตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้ใใหเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้ตัวเรานะอันเนี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอ๋ออ๋อมาฝึกกับเรื่องการดูก็รู้ตัวเราได้มาฝึกกับการฟังเสียงก็รู้ตัวเราได้ ว่าเราเป็นผู้ฟังแต่เราผู้ฟังก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มาพอดเรื่องรู้กลิน่นเรื่องรู้รสเรื่องอะไรเนี่ยโอ้มันสามารถรู้ตัวเราได้หมดเลยตรงเนี้ยก็จะเป็นความชํานาญมากขึ้นนะทีนี้มันมีจุดจุดหนึ่งที่หลวงพ่อเขาเคยยกตัวอย่างให้ให้โยมไปทดลองก็มีนะบางทีเราเราบอกว่าเออโยมเราตอนนั้นหลวงพ่อเทศที่วัดเนาะมีการเปิดปิดไฟจริงๆเลยนะเราบอกเอา้าวันนี้ หลวงพ่อจะเทศในถ้ากลางของความมืดปิดไฟให้หมดทุกดวงใช่ทีนี้พอปิดไฟเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็อธิบายแบบเชิงชี้บอกกันนะว่าเห็นไหมขนาดปิดไฟแล้วเนี่ยมันยังรู้ตัวเราเลยว่าตัวเราเนี่ยกําลังนั่งกําลังนั่งอยู่ในท่าไหนกําลังปิดตาหรือลืมตาเนาะก็จะรู้ตัวเราหมดเลยนะแล้วก็พอเป็นอย่างเนี้ย ก็เห็นไหมขนาดมืดตื้อตือเนี่ยมันยังรู้ตัวเราเลยนะมันยังรู้ตัวเราได้เลยธรรมชาติรู้นะมืดตื้อตือมันยังรู้เราเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจ็บจะปวดจะป่วยเราจะคิดมากคิดน้อยเนี่ยธรรมชาติมันรู้หมดหลดเราหมดเลยทั้งทั้งที่อยู่ในถ้ากลางความมืดอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่ามืดหรือสว่างภายนอกจะมืดหรือสว่างแต่ความรู้ความความรู้อันนั้นเนี่มันสว่างจ้า ใช่ยังไงเจ้าตรงที่มันรู้ตัวเราได้ทุกทุกมุมทุกอนูทุกขุมขนน่ะก็เลือ <laughs> งมันรู้หมดเลยก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าโอเนี่ยที่เขาเคยพูดว่าไอ้ธรรมไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติรู้นี่เนาะมันสว่างดุจ ด, ดวงอาทิตย์น่ะมันดวงอาทิตย์หลายดวงด้วยไม่ใช่ดวงเดียวนะมันรู้มันรู้หมดเลยเนะี่ยโอ้โหทีเนี้ยมันก็ทําให้รู้จักชัดขึ้นมาว่าโอไอ้ธรรมชาติรู้เนาะไอ้ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันเป็นเช่นนี้เอง มันรู้แจ้งมันรู้แจ้งมันสว่างสว่างคือคําว่าสว่างไม่ใช่สว่างแบบแสงเนาะคือมันสว่างเท่ากับว่ามันเห็นอะเห็นเขาเรียกว่าเป็นศับเขเรียกว่าเป็นความสว่างเป็นอะไรเงี้ยก็เลยอืเข้าใจมันโอ้พอเข้าใจตรงนี้มันมันมันง่ายจริงๆอย่างที่โยมหน้่ยว่าเนาะถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันก้าวกระโดดมากเลยว่าโอการรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็เมื่อรู้ตัวเราแล้วเนี่ยก็ให้รู้ด้วย ด้วยสัจจะความจริงก็คือว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นทั้งตัวเลยนะร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นสังขารปุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายความว่าทุกอนุทุกชิ้นส่วนประกอบกันเป็นร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเรียกเชื่ออะไรก็ตามที่มันประกอบกันเนี่ยเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงหมดเลยคือมีแล้วหมดไปนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถ ทำเหมือนกับว่าทําให้เกิดปัญญาเนาะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยธรรมชาติเดิมอ ะ, ะธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยธรรมชาติเนี้ยไม่มีความตงแต่งไม่เกิดไม่ดับไม่อาจจะถูกทําลายแต่ตัวเราต่างหากที่เป็นขันธ์หน้าเป็นสังขารถูกทําลายหมดเลยไม่เหลือแต่กระจุยกระจายหมดเลยพอเป็นอย่างนี้มันก็เห็นถึงความความเขาเรียกว่ารู้จักทั้งทุกทั้งทุกก็คือตัวเรานี่แหละเขาเรียกว่าตัวทุกขแต่ ความไม่ทุกข์คือเป็นนิโรธคือเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็คือนั่นแหละธรรมชาติรู้ที่รู้แจ้งในทุกขเมื่อกูรู้แจ้งแล้วก็ธรรมชาติที่รู้แจ้งเนี่ยเขาไม่ได้ติดเขาไม่ได้ยึดอะไรอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือทั้งไม่ทั้งไม่ได้ยึดถือทั้งไม่ได้มีการปล่อยวางได้แต่รู้ตรงไปตรงมาว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นของเกิดดับไม่เที่ยงไม่เที่ยงทีนี้ถ้าเห็นอย่างเนี้บ่อยบ่อยเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางตัวตนขึ้นมาปล่อยวางตัวเอง เพราะมันมันแยกได้นี่ว่าธรรมชาติอะไรที่มันมันพ้นไปจากทุกข์แล้วแล้วธรรมชาติอะไรที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพอเป็นรู้จักธรรมชาติสองสิ่งนี้นเสร็จแล้วมันก็ชัดเจนก็คือว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่พบมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติข่ายสังขารปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่สังขารที่ไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันก็มสีสองสิ่งนี้เองคือขวายปรุงแต่งกับฝ่ายไม่ปรุงแต่งเกินอย่างนี้ไม่มีละเพราะฉะนั้นน่ย เมื่อรู้จักอย่างเนี้ยแล้วมันจะหลงไปเป็นอะไรได้อ่ะใช่ไหมไอ้รู้แจ้งมันก็รู้แจ้งอยู่นั่นแหละแล้วมันจะหลงไปไปตะครุบไปยึดทําไมอ่ะ ก, ก, ก็ได้แต่รู้อยู่ว่ารว ม, ม, มแล้วก็กลับมารู้ตัวเองก็สามารถที่จะพ้นทุก์ได้เลยกลับมาสบ ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือวันนี้จะมาบอกหลวงพ่อเขาว่าเออเริ่มเริ่มเห็นในสิ่งที่หลวงพ่อ พูดมาแล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้นะคะแล้วก็ที่จนชัดได้ก็คือเมื่อวันก่อนได้ไปฟังคลิปเสียงของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับขันห้าคือชีวิตนะคะตอนแรกก็ยังสงสัยว่าตรงกับที่ท่านที่หลวงพ่อพูดไหมแต่พอมื่อิีหลวงพ่อยกขึ้นมาคำว่าขันห้าแบบโอ้ปิง อ, อ๋อใช่เลยอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ก็รู้สึกว่าจะนาไปปฏิบัติได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ ทำไมพรเคยเคยรู้สึกอะค่ะพอทําได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตขาดสีสันนะคะเมื่อเราได้รู้แล้วแล้วเราก็เฉยเฉยกับมันเห็นมันแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่เหมือนกับมันขาดสีขันในชีวิตมันมันไม่มันไม่ตื่นเต้นมันไม่มีความแบบเร้าใจอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่เป็นกลียดหรือว่าเป็นกําลังเรากําลังหลงทางอีกหรือเปล่าคะ แล้วอีกอย่างหนึงที่จะสอบถามเหลวงพ่อกับคุณนุ้ยก็คือคําว่าปฏิบัติปฏิบัตินะคะมันคือการปฏิบัติแค่การเหมือนปฏิบัติด้านการเรียนรู้ที่ที่คุณนุ้ยกับหลวงพ่อพูดหรือรวมไปด้วยกับการที่ปฏิบัติในการที่ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ่ะอันนี้ต้องทําควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าเพราะทำไมพรแค่แค่ปฏิบัติแค่รู้ใน ในชีวิตประจำวันรู้การรู้สึกตัวเท่านั้นเองเราต้องปฏิบัติด้านใดเพิ่มอีกไหมคะขอบพระคุณค่ะเอ่อถ้าเข้าใจนะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนเนาะมีแต่ขันห้ า, าสมมุติว่าเข้าใจแจมแจ้งนะเข้าใจชัดแล้วไม่สงสัยเนี่ย เพราะฉะนั้นจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำยังไงเนี่ยมันมันไม่ใช่สาระสาคัญเพราะว่ามันเป็นยังไงเขาเรียกว่าถึงจะเดินจะนั่งจ ะ, จะนอนจะนั่งอย่างที่เรียกว่าทำสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้ทำสมาธิการเดินก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้เดินนะหมายความว่าอิทธิยาบทเนี้ยมันมีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้แหละยังไม่ตายเนาะมันก็ต้องมีอิทิยาบทเดินยืนบ้างนอนบ้างนั่งบ้าง อะไรบ้างพักผ่อนอย่างนั้นบ้างแต่ด้วยปัญญาเนี่ยที่มีอยู่แล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอมันเป็นขันธ์ห้าเออที่ยมเข้าใจดีแล้วเนาะเออมันเป็นขันธ์หน้าเพราะฉะนั้นจะไปนั่งก็ไม่ได้มีความหมายว่าเราเป็นผู้นั่งเมื่อนั่งแล้วมีความสงบก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้สงบมันเป็นแค่อาการทางจิตที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ ตามอัธยาศัยก็คือว่ายัางไงก็ได้จะไปนั่งแต่ก็ไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกกนะันเนาะแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการใดๆเมื่อนั่งก็นั่งเมื่อปิดตาก็ปิดตาแล้วก็ให้รู้เป็นปัจจุบันไปว่าตอนเนี้ยกําลังนั่งแล้วกาลังปิดตาและกําลังรู้สึกสบายและกําลังรู้สึกสงบแล้วเพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงนะพอรู้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดว่าไอรู้เนะี่ยมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วแต่รู้เนี่ยไม่เคยยึดถือสิ่งใดนะ อารมณ์เป็นสุขนะก็ไม่เคยยึดถืออารมณ์ไม่สุขก็ไม่เคยยึดถือจะฟุ้งซ่านก็ไม่เคยยึดถือจะไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ยึดถือจะละเอียดนะอารมณ์จะละเอียดปราณีขนาดไหนก็เพียงแต่รู้แต่ก็ไม่ยึดถือจะยาบยังไงก็ไม่ยึดถือก็ได้แต่รู้อย่างอย่างอย่างปกติธรรมดาอ่านพะงั้นที่โยมถามก็คือก็ ยังไงก็ได้แต่ไม่หลงผิดแล้วว่าเป็นเราการทุกเหตุการณ์มันก็คือความจริงที่ที่มันมันกำลังปรากฏมันมีอยู่ <c oughs> จริงๆอะ่ะพวกนั้นแหละมันก็ก็เป็นของมันเองนะเราไม่ได้ทำลองสังเกตดีๆดิฝนตกน้ำท่วมอะไรเนี่ยไม่มีเราเป็นผู้ทำ <c oughs> แล้วก็มาพูดถึงส่วนที่เป็นร่างกายจิตใจก็เหมือนกันไม่มีส่วนไหนเลยที่ว่าเราเป็นผู้ทำมันมีแต่ปรากฏแล้วก็ดับ ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยก็ชอบถูกต้องแล้วมันไม่มีอัตตา <c oughs> ไม่มีอัตตาเลยไม่มีอัตตาไม่มีความเป็นตัวตนมีแต่เกิดแล้วดับนะทีนี้พอเข้าใจเรื่องเรื่องอไม่มีตัวตนเนี่ยนะมีแต่อนัตตาเนี่ยลองดูดีว่าที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าได้ประสบพบเห็นอารมณ์อาจจะอารมณ์อะไรก็ตามนะ มันก็ยึดถือไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีใครจะยึดมันมีแล้วอารมณ์นั้นเน่ยมันก็หมดไปด้วยตัวของมันเองคือมีแล้วไปนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครได้อะไรเลยและไม่มีใครเสียอะไรเลยเพราะว่ามันมีแค่สิ่งเกิดดับเนาะส่วนธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไอ้นั้นน่ะยิ่งยิ่งไม่ปรากฏการเกิดยิ่งไม่ปรากฏการดับอีกโอ้ยมันไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ความไม่ปรากฏ เพราะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมด้วยความหลงทั้งหลายเนี่ยตรงนี้หลงมากว่า เ, ออเราปฏิบัติเราต้องเข้าให้ถึงเราต้องไปให้ถึงเราต้องพบให้ได้เราจะต้องเดินทางตรงที่ว่ามีเรานําหน้าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นี่คือเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยเป็นความเห็นผิดอเป็นความเห็นผิดปฏิบัติธรรมเราปฏิบัตินะแต่ถ้าเห็นถูกแล้วเนี่ยไม่มีเราหลอกโยงมีแต่สิ่งเกิดดับกับสิ่งที่ไม่ปรากฏการเกิดการดับแค่นั้นเอง เนี่ย <estar fin. S 2> ถ้าพูดรวมๆเพื่อง่ายๆในการดำรงชีวิตประจําวันก็อยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอย่าผิดศีลอย่าผิดธรรมอย่าผิดกฎหมายก็ก็ถูกต้องแล้วอย่าอย่าอะไรเงี้ยเนาะอยู่อยู่โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันแลนะกันน่ะจะเดินจะนั่งจะอะไรก็คือปกติใช่ไหมล่ะแต่ด้วยปัญญาอันสูงสุดแล้วรู้ว่าไม่มีใครเดินหรอกไม่มีใครพูดหรอกไม่มีใคร น, น, นั่งเนี่ยที่มาพูดคุยที่มารวมกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครหรอกมันเป็นเหตุปัจจัยให้ให้ ให้ต้องพูดต้องคิดแล้วต้องอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายมันก็แตกสลายดับหมดเลยไม่เหลือผมผมขออนุญาตถามหลวงพ่อครับว่าเป็นเทคนิคหรือハウทูที่ทำให้มันไม่หลงบ่อยแล้วหลงนานนะครับผมความหลงก็มันก็เกิดขึ้นเนื่องจากไม่รู้คือขณะดใดที่ที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เนาะมันมันก็เป็นความหลง แต่ทีนี้ถ้าถ้ารู้ทันรู้ทันในในสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏอย่างนี้<ๆ>ก็เรียกว่ามันมันรู้ทันแต่ทีนี้ยังไงก็ตามมันก็ต้องสร้างเหตุเนาะทำเหตุปัจจัยโดยที่ผู้รู้อสมภัสหลวงพ่อจะพูดถึงเป็นบุคคลเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ได้เรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญญารู้ตาม อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องความพ้นทุกข์กับความทุกข์เนี่ยท่านก็มาบอกเราเอาว่าวิธีสร้างเหตุเพื่อให้เกิดให้หลงน้อยหรือไม่หลงเนี่ยก็คือหลักสติปัฏฐานเนาะ mm. เช่นเขาบอกว่า mm. เมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินเอาใช้หลวงพ่อพูดแบบรวมๆเนาะหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดท่านก็พูดดีก็บอกว่าเดินยืนนั่งดื่มทำพูดคิดก็ให้รู้สมมติประมาณอย่างนี้เนาะ วันนั้นวิธีทําเหตุก็คือฝึกเพราะมันเดินมันเดินอยู่แล้วไงเนาะเดินอยู่แล้วนั่งก็ก็ฝึกรู้ตัวไปว่าเออตอนนี้ยตัวกําลังนั่งกําลังเดินกำลังยืนอันนี้ก็เรียกว่าฝึกทําเหตุแล้วก็เมื่อฝึกมากมันก็จะรู้นะรู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ถึงใจที่มันคิดหรือว่ารู้ถึงคําพูดของของเราอย่างอย่างเมื่อกี้นะแต่นี้มันจบไปแล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างพอมันเกิดปั๊บมันมันจบเลยมันดับเลยแต่หลวงพ่อจะย้อนหลัง ว่าตอนที่ที่โยมถามเนาะอันนี้เขาเรียกว่ามีการพูดออกมาแล้วมีการพูดนะจริงๆถ้าเราฝึกรู้ก็คือเมื่อพูดนะขณะที่กําลังพูดก็ให้รู้ตัวนะแล้วก็เมื่อหยุดพูดมันก็จะรู้ว่า อ, อ๋อหยุดพูดแล้วแล้วพอนั่งไปรักพักนึงอะ่ะก็จะพูดใหม่อีกแล้วก็พอพูดใหม่ปั๊บอะ่ะก็หยุดพูดอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทําเหตุคือฝึกฝึกรู้แบบนี้ พูดก็รู้คิดก็รู้ไอ้คิดเนี่ยมันละเอียดกว่าพูดเนาะแต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าผู้มีปัญญาก็พอจะจะเห็นได้เพราะว่าก่อนพูดเนี่ยมันต้องคิดข้างในก่อนอย่างอย่างของโยมก่อนที่จะถามคําถามกับหลวงพ่อเนาะมันคิดกลุนอยู่ข้างในตั้ ง, ต, งตั้งหลายขณะแล้วแหละคิดจะถามอย่างนั้นคิดจะถามอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราฝึกฝึกรู้กับความคิดที่อยู่ภายในใจมันก็จะเห็นจะเห็นแรงผลักดันที่คือมันมัน มันคิดอะเนะเออพวกเราน่าจะเข้าใจดีเวลาคิดมันเป็นยังไงมันก็คิดคิดคิดแล้วก็รู้มันแล้วก็พอรู้มันเสร็จแล้วมันมีแรงดันที่อยากจะให้พูดแล้วก็รู้ทันอีกพอรู้ทันเสร็จอาแรงผลักดันมันก็ฟอตัวลงมันก็ดับลงแล้วก็ฟังไปคิดไปพอคิดถึงจุดหนึ่งมันทันฝากก็อยากจะพูดอีกแล้วแต่ก็ไม่พูดตามแล้วก็รับรู้เฉยเฉยแล้วก็ต่อมาเสร็จไอาแรงดันเนี่ยอาแรงผลักดันที่จะให้พูดมันก็ แผ่วลงแล้วก็หยุดลงเนี่ยเห็นอาการสลับแบบนี้ก็ここจะเข้าใจได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นการฝึกทีนี้เมื่อฝึกเนี่ยมันก็จะจําเขาเรียกว่ามันจะมีจําสภาวะของความคิดได้ว่าแบบนี้ความคิดเกิดแล้วแบบนี้ความคิดฝอคือดับลงแล้วแล้วก็เห็นอย่างนี้พอมันจําได้ต่อไปมันก็จะชํานาญในการรู้การเห็นไอความชํานาญแบบนี้ต่อไปพอมันจะคิดจะพูดเนี่ยมันก็เรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทัน เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็มีแค่นี้แหละมีความคิดที่เกิดแล้วดับมีการพูดพูดแล้วก็ดับมีการกระทํามันก็หมดไปแต่ละขณะขณะมีเท่านี้นจริงๆนอกจากนั้นเน่ยเป็นความไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะเนี่ยมันก็คือเรียนเรื่องพวกเนี้ยให้รู้เท่าทันสิ่งที่กํากลังพูดกําลังคิดที่มันกําลังปรากฏเนี่ยเรียนอยู่ในตัวเราเนี่ยเนาะอันนี้มันจะเป็นทางที่รัดสั้นนะ ก็เหมือนกับ ว, ว่ามันมันใช้ได้เลยไงพอเริ่มฝึกมันก็เริ่มเห็นได้เลยเริ่มรู้เป็นปัจจุบันได้เลยประมาณอย่างนี้ส่วนส่วนคําถามเนาะส่วนของคำถามที่เป็นเรื่องราวแล้วก็เอาเอาคําตอบมาที่เป็นเรื่องราวเนี่ยไอเนี้ยจริงๆมันห่างไกลต่อภาคปฏิบัติเยอะมากเลยเพราะว่าเราเอาสิ่งที่กําลังเขาเรียกว่าเอาเรื่องราวมาพูดกันซึ่งมันล้วนแต่เป็นอ่าที่เป็นเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากความปรุงแต่งจากการพูดกันคิด แต่ก็ยังไม่เห็นอยู่ไม่ไม่เห็นที่กําลังเป็นปัจจุบนันไม่เห็นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าอ่าอะไรนะก็เรียกว่าเท่ากับไม่ได้รู้ตัวอ่าเพราะนั้นเนี่ยทางที่มันรับสั้นที่สุดก็คืออย่างที่หลวงพ่อแนะนําคือให้เห็นทําพูดคิดดื่มอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องการถามมันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเอ่อบางทีมันตันเนาะมันไปไม่ถูกก็ต้องถามถูกต้องแล้วแต่เมื่อได้คําแนะนําแล้วเนี่ย สิ่งที่ทําให้มากก็คือเนี่ยฝึกฝฝึกฝอย่างที่หลวงพ่อว่าประมาณมันมีสิ่งหนึ่งไม่ถ้าหลวงพ่อพูดไปไม่รู้มันละเอียดเกินไปไหมแต่ว่าไม่น่าก็ลองฟังดูก่อนเนาะพ่อพูดแต่หลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆนะเข้าใจก็คือเข้าใจไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจหลวงพ่อพูดถึงธรรมชาติที่ไม่ปรากฏก่อนนะธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ไม่ปรากฏอะไรเลย ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏการปฏิกิริยาไอะไรเลยนะหลวงพ่อก็เป็นแค่อุปมานะอุปมาก็เหมือนกับอากาศนะอันนี้อุปมานะไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกับอากาศเนี่ยซึ่งมันเป็นความว่างใช่ไห ม, มยิ่งเราสมมติว่าเรามองไปทางบนท้องฟ้าอย่างนี้มันเต็มไปด้วยบรรยากาศอ่ะเป็นบรรยากาศแล้วทีนี้ ในบรรยากาศเนี่ยมันก็มีอะไรพวกก้อนเมฆ <c oughs> ใช่ไหมมีก้อนเมฆมีดวงดาวมีดวงอาทิตย์นยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะทีนี้หลวงพ่อก็จะเออ <c oughs> เปรียบเทียบก็คือว่าพวกก้อนเมฆพวกดวงดาวพวกดวงอาทิตย์ <c oughs> เป็นสิ่งที่ปรากฏ <c oughs> ปร า, ากฏในไหนก็ปรากฏในความว่างของบรรยากาศนะความว่างของบรรยากาศทีนี้ เมื่อเป็นเมื่อรู้จักสองสิ่งนี้เราก็จะพบว่าก้อนเมฆ ก, ก็ดีนะก้อนเมฆ ก, ก็ดีดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆก็ดีพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่บรรยากาศเนี่ยมันมันมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นคือสิ่งที่ปรากฏเนาะแต่บรรยากาศจริงๆอ่ะมันมองไม่เห็นหรอกไอ้ที่เห็นเป็นสีฟ้าสีน้าเงินไอนะ้นั้นอ่ะไอ้นั้นก็คือเป็นสิ่งที่ที่ปรากฏในบรรยากาศอ่าทีนี้ถ้าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ปรากฏ กลับรู้จักสิ่งที่ปรากฏแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือในชีวิตของเราเนี่ยการเดินก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมมีการพอพอเริ่มเคลื่อนปับ๊บนี่แสดงว่าเริ่มปรากฏแล้วใช่หรือความคิดแต่เดิมมันไม่คิดเนาะแต่เดิมมันไม่คิดและพอมันเริ่มคิดปั๊บเนี่ยพอมันเริ่มคิดปั๊บเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เรียกว่าเริ่มต้นมีการเกิดแล้วมีการปรากฏแล้วความกโกรธ ตอนที่มันไม่โกรธก็ก็เป็นความไม่มีนะเป็นความเหมือนกับเป็นบรรยากาศเป็นความว่างอย่างนี้ยเป็นความไม่มีพอโกรธเริ่มโกรธปับ๊บนี่เขาเรียกว่ากําลังเกิดละปรากฏแล้ ว, ลวนะทีนี้คนที่นะหมายถึงว่าผู้ที่สติที่เร็วเนี่ยก็หมายความว่าสามารถรับรู้สิ่งที่มันเริ่มเริ่มสตาร์ทอะ่ะเช่นพอโกรธปับ๊บพอโกรธเนี่ยแสดงว่า ไอ้ตรงนั้นแหละเริ่มสตาร์ทโกรธคือมีอาการเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตัวสติตัวอะไรเนี่ยมันเร็วสามารถที่จะรู้ได้ทันว่าอ่ะอันนี้เกิดแล้วแต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้หมายความว่าความโกรธเนี่ยเกิดแล้วก่อตัวก่อตัวมามากแล้วใหญ่แล้วเป็นแบบโอ้โหแบบอะไรไม่รู้มากมายแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันอยู่ปลายๆนะเป็นมันอยู่ปลายของต้นกําเนิดของมันเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีสติรู้เร็วรู้ที่ต้น รู้ที่ต้นก็คือจุดกําเนิดที่มันเริ่มเกิดเนี่ยตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าตัดนะตัดวงจรตัดสิ่งที่มันจะเกิดให้ให้ยาวแบบเนี้ยมันมันทําให้สั้นลงคือมันมันดับเลยอ่ะเออพอเกิดปั๊บดับเลยนะอันนี้หลวงพ่อชี้ตรงนี้เหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องของสติปัญญารู้เท่าทันที่มันเริ่มปรากฏเริ่มเกิดเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะดับตัดพพตัดชาติคือ มันจะตัดหมดเลยถ้าพูดถึงปฏิจจมุบาทก็คือว่ามันมันตัดที่หัวขบวนนะมันตัดที่หัวขบวนก็คือว่ามนันจะเป็นวิชาทันทีเลยขณะที่รู้เนี่ยมันเป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาก็ไม่ทำให้มีเหตุปัจจัยให้เป็นสังขารแล้วก็คือจะดับไปทั้งตลอดสายเลยแต่ถ้าไม่มีวิชาคือมันเกิดแล้วยังไม่รู้เกิดแล้วมันยังไม่รู้อันนี้สายปฏิจจมุบาร์มันก็จะเกิดตลอดสายเหมือนกัน เพราะนั้นถ้าสมมติเราจับทางตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออแต่ว่ามันก็พูดยากเพราะว่าพอพูดอย่างนี้พวกเราก็ตั้งมันตั้งจ้องตั้งดักรู้อยู่แล้วนะว่าอะไรจะเกิดบ้างจริงๆไอตัวดักรู้ไอตัวจ้องเนี่ยมันเกิดแล้วแต่เราไม่เห็นแต่ว่าจะเอาว่าเมื่อไรมันจะเกิดความโกรธคือไปดักรอไว้ก่อนไอตรงนั้นมันก็ผิดอกีกแต่ถ้า ห, หลวงพ่อพูดไปแล้วมันก็ยิ่งยากาละเอียด พ, อ, พอหลวงพ่ออธิบายละเอียดแล้วความรู้สึกเนาะโยงก็ตามไม่ทันเดี๋ยวมันก็จะปวดหัวเอาเจ้าก่อนพูดรวมๆก็ววคือว่าไอธรรมชาติเดิมแท้นเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรเลยเนาะไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ก็ต่อมามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นทีนี้ถ้ารู้เท่าทันไอตรงที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเกาเรียกว่าหมดปัญหาหมดปัญหาไม่มีอะไรเลยเออ ตอนนั้นแต่ว่าจะไปห้ามอะไรไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะห้ามอะไรไม่ปรากฏก็ไม่ได้เพียงแต่รู้เร็วรู้ทันตรงที่มันเริ่มจุดสตาร์ทก็แค่นี้แหละเหมือนกับเมื่อกี้ในที่พอพูดเนาะพอพูดปับ๊บพอถามปับ๊บรู้ทันแล้วกัจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาคอําตอบก็ได้หรือว่ามันคิดขึ้นมาอยากถามแล้วก็รู้ทันแล้วไม่ต้องถามเลยแล้วก็จบแล้วแล้วก็อยู่ๆมันมันก่อตัวก็รู้ทันก็ ไม่ต้องทำอะไรแค่รู้แค่รู้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่ารู้ที่ต้นกำเนิดของมันแล้วก็ทำ ใ, ให้เขาเรียกว่าดับดับกิเลสตนะอะไรดับหมดแหละมันทำได้เร็วประสบผลสาเร็จตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทำคือถ้าทางานก็ทำเป็นปกติของโยมเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเช่นสมมติว่าตอนนี้เป็นการฟังเฉยๆเนะาะโยมลอง ลองนั่งพักผ่อนนะเขาเรียกว่านั่งนั่งให้สบายวางให้หมดเลยความรู้ความความเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องคิดเพื่อให้เข้าใจเนาะคือเหมือนกับว่าพักอะ่ะเออลองลอ ง, ลองพักคืออยู่เฉยๆอย่างเงี้ยลองลองดูสักครู่หนึ่งนะผมพอจะหยุดโปดจากสองนาทีพออะตอนนี้เลยอืมอันนี้ ถ้าหลวงพ่อไม่พูดอะไรเลยเนาะตว่าหลวงพ่อไม่มีการชี้ไม่มีการบอกแต่ความปรากฏและความไม่ปรากฏมันก็มีอยู่แล้วหลวงพ่อชี้เรื่องความปรากฏอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ได้ยินนะเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอาจจะมีรับรู้ถึง ท้องมันร้องหรือชีพจรเต้นหรือการหายใจอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นน ะ, ะความสบายความสงบอะไรต่างๆเนี่ยคือความเป็นเองความเป็นเองที่ที่มันเป็นเองไม่ต้องทำอะไรเพราเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่ต้องทาอะไระ <Yeah. S 1> เพราะนั้นทุกการิยาที่ปรากฏขึ้นทางหูทางตาทางจมูกทางเล้นทางกายทางใจอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะส่วนความความสงบ อย่างยิ่งความสงบอย่างยิ่งก็คือความไม่ปรากฏนั่นแหละแต่มันรับรู้ถึงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะนั้นธรรมชาติที่สงบที่พระพุทธเจ้าไปพบก็คือความสงบคือเป็นความเงียบเป็นความสงบนิ่งแต่มีความรู้นะไม่ใช่สงบแบบหลับคือมีความรู้คือรู้รับรู้ได้แต่รู้อย่างสงบ ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปก่อกวนไม่เข้าไปแตกแตงไม่ต้องไปจัดการอะไรทั้งหมดเลยเพราะงั้นเมื่อกี้เนะี่ยจริงๆนะธรรมชาติที่ที่ปรากฏก็มีอยู่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏก็มีอยู่มันคู่กันแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติบางครัง้งบางคราวเนาะเช่นว่าจิตใจมันเหนื่อยมากเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละอยู่เฉยๆแต่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หมายความว่าอยู่เฉยๆไม่รับรู้อะไรนะคือ คือคือตื่นนะเออภาษาพอสมมติจะเรียกได้ก็คือตื่นรู้อยู่แล้วก็มันก็จะเข้าใจได้นะว่าอืมธรรมชาติที่ปรากฏก็มีธรรมชาติที่รรมไม่ปรากฏก็ไม่ไม่ปรากฏก็มีง่ายง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่บ่งชี้ได้ชัดเนี่ยไอตอนที่เราคุยอธิบายกันเยอะเพราะปรุงแต่งกันเยอะไงพอฟังไม่เข้าใจมันก็คิดมากเนาะคิดเพื่อให้เข้าใจแล้วหัวหัวร้อนเลยเนาะปวดหัว แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรหมดหรอกแล้วก็เห็นไหมมันจะผ่อนคลายไปในทางปกติแล้วก็เหลือแต่เห็นธรรมชาติปรุงแต่งที่มันปรากฏนอกตัวก็มีในตัวก็มีมันทำอนเองหมดเลยเราไม่ได้ทาอะไรเราไม่ได้ทำอะไร